นิยายเรื่องสัง้นอิงธรรมะเรื่องค่ำนี้จะนอนไหนโดยคำกลาเงาเช้าเนี่ยผมตั้งใจไม่รอรถสองแถวสีแดงหรือเรียกกันสั้นๆว่ารถแดงนับป้ายใหม่เมื่อคนขับรถแดงขับมาถึงจึงผ่านเลยไปไม่หยุดรับผมผิดคาด ผมคิดในใจคันนี้ไม่ยากเสียดายผู้โดยสารฮนะผมต้องตะโกนเรียกให้หยุดรับยังดีที่เขาสละเวลาชะลอบอกให้ไปขึ้นที่คอสะพานผมรีบวิ่งตามไปยังจุดรับส่งผู้โดยสารบริเวณป้ายใหม่หรือป้ายคอสะพานซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากจุดเดิมเมื่อเห็นว่าที่นั่งด้านหน้าว่างอยู่คนขับบอกว่านั่งข้างหน้าเลยคุณผมจึงเปิดประตูขึ้นนั่งข้างเขา ทำไมไม่จอดป้ายนั้นล่ะครับจอดไม่ได้เดี๋ยวโดนวจดเลขรถขนส่งจะปล่าผมเอาสิพี่คนขับหน้าเข้มหนวดเฟิร์มตอบเช้าตรู่อย่างเนี้ยรถยังไม่ติดอากาศริมแม่น้ำสดชื่นเสมอแม้จะมีกลิ่นคาวโคลนหลังฝนตกเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ทำลายบรรยากาศ ด, ด, ดีโดยเฉพาะเมื่ออยู่บนสะพานข้ามไปฝั่งโน้นวิวเบื้องล่างสะพานมีเหล่ากอผักตบชวาที่ถูกคลื่นซัดมารายตัวติดฝั่งตา ม, ตามยถากรรม เราก็ไม่สนใจว่าวันเนี้ยจะได้เป็นสวะหรือกอเขียวสดเจริญตาแต่เมื่อมันรวมกันอยู่ไม่ขวางทางคมนาคมสีเขียวๆดอกม่งมวงและผิวระรอกน้ำย่อมนำพาความสบายตาสบายใจมาสู่ผู้ชมได้อย่างน่าประหลาดผมขึ้นประจาอ่ะมีวันนี้ที่ไม่จอดผมชวนพี่หนวดคุยจอดได้เฉพาะคันที่มีเลขทะเบียน พวกผมมันรถใหม่สายประจําก่อนเนี้ยมันจดไปฟ้องขนส่งว่าแล่นทับสายหลายคันมันบอกว่ารายได้ลดลงเพราะพวกรถเถื่อนพี่หนวดระบายให้ฟังยังไงกันครับรถแดงเนี้ยผมก็เห็นว่าวิ่งตามสายเนี้ยยังมีปัญหาอีกเหรอเนี้ยพี่หนวดขยับจะพูดต่อหนวดก็ขยุบขยิกตามปากที่ขยิเบเนิบๆมันก็เพิ่งมีต้นปีนี้เองแหละครับในน้ําเสียงที่หนวดฟังดูมีความนุ่มนวลมากขึ้น คนขับสายอื่นมันจดทะเบียนก่อนบริษัทเราเป็นสิบปีเขาไม่ชอบใหเราวิ่งหลายคันแต่เราเพิ่มตามที่มหาวิทยาลัยขอครับเพราะเห็นว่าจํานวนนักศึกษาเพิ่มทุกปีน่าจะมีรถเพิ่มอีกพี่หนวดเว้นถอนหายใจนิดนึงแล้วยังไงไม่รู้ทางขนส่งไม่รู้บริษัทอื่นก็ไม่รู้คุยกันผ่านคนมอประชุมแล้วก็ยังไม่สรุปพวกผมก็เพิ่งรู้ว่ามีฐานะเป็นรถเถื่อนครับมันก็ต้องเถื่อนต่อไป บางคนออกรถใหม่จ่ายหลายแสนขับมาแค่2ปีเองยังไม่ได้ทุนค่ารถคืนเลยก็ต้องหยุดไปกลัวมีเรื่องเขาสายหน้าสองสามทีแล้วจอดป้ายใหม่มีปัญหาไหมครับเนี่ยผมถามคนขับรถเถื่อนต่อตอนเนี้ก็ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนใหม่ยังเป็นเรื่องเก่ากันอยู่เลยคนขับเป็นคนเข้าใจกล้านะก็ไปจอดรับผู้โดยสารเพราะได้คนเยอะพวกผู้โดยสารก็อยากขึ้นป้ายนั้นคนนั่งเขาก็ชอบความสะดวกไงครับ ขั้นไหนข้ามฝั่งไปเขาลงแค่ตลาดก็มาขึ้นรถเราแต่หลังๆเราก็ได้ผู้โดยสารที่ไปไกลถึงมอทั้งนั้นแหละครับทางมหาวิทยาลัยจะช่วยยังไงครับเรื่องเนี้ยผมถามในฐานะคนมออันที่จริงก็ไม่ใช่ธุระที่ผมจะเข้าไปยุ่งได้หรอกครับก็เคยเป็นตัวแทนไปประชุมครั้งนึงก็เป็นการรับฟังการชี้แจงเรื่องป่ายที่ควรจอดมหาวิทยาลายัยบางทีก็มาเล่นที่กับเราด้วยครับเช่นอะไรฮะ ผมสงสัยต่อใครไม่ส่งผู้โดยสารในมอใหถึงที่ส่งแค่หน้ามอก็โดนจดไปฟ้องเดือนที่แล้วอากาศร้อนเหลือเกินพวกผมเข้าไปจอดใต้ร่มไม้ก็มีคนเรียกฟ้องว่าไม่เป็นระเบียบพวกผมก็อยากจอดในที่จอดครับแต่พวกซ่อมถนนกองดินไว้เต็มทางผมไม่เห็นว่าลานจอดจะจอดได้หลังคางก็ไม่มีร้อนๆ น, นะคุณจอดแต่ละเที่ยวเราก็อยากจะพักทั้งเครื่องทั้งคนพอไม่มีที่จอดก็ต้องวนรถออก ผู้โดยสารก็ไม่ค่อยได้ขึ้นรถหรอกครับเพราะพวกผมไม่ได้รอรับถ้าบาังเอิญมาทันพอดีเราก็ได้คนออกมาด้วยอืมผมพอจะจินตนาการออกว่าที่พี่หนวดเล่ามาก็จริงอย่างนั้นก็ไม่รู้เมื่อไหร่เราก็ทนต่อไปจะให้ทำอะไรได้อีกผมก็รอว่าได้ทุนคืนก็อาจจะเบาใจขึ้นอีกคนขึ้นมากขึ้นน้อยไม่คิดล้ครับตอนเย็นกับวันหยุดผมก็ไปรับจ้างวิ่งรถรับส่งนักเรียนไปเรียนพิเศษก็ได้ อย่างนี้เราก็ได้ตลรอให้ลานจอดรถเป็นที่เป็นทางมากขึ้นอาจจะช่วยให้รับคนได้เยอะขึ้นผมแนะทิ้งท้ายวิวสองข้างทางเปลี่ยนไปกลายเป็นทุ่งนาสลับปาบ่าโปร่งใบข้าวไหวเอลูดตามลมมองไปลิบลบิเห็นเด็กนักเรียนเดินตามติดกันเป็นสายห้าคนบนคันนาเหมือนมดตัวน้อยค่อยเคลื่อนขบวนไปทิศเดียวกันถ้าบ้านผมอยู่ไม่ไกลถ้าผมไม่กลัวเหนื่อยถ้าผมไม่ต้องแข่งกับเวลาถ้า ผมสะบัดศีษะไล่ข้อแม้ไม่รู้จบออกไปจากความคิดลึกๆในใจผมคงอิจฉาความสุขที่หายากแบบเนี้ยอยากพบความสดใสเหมือนวัยเด็กไปทำงานแบบนี้บ้างสักวันอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรจะถึงหน้าหมอผมจึงขยับตัวยืดกายตรงขึ้นผมลงหน้าร้านอาหารปลาพลอยครับพี่ผมบอกหลวงหยิบค่าโดยสารไว้ในมืออ้าวลงแล้วเหรอนึกว่าจะให้เข้าไปส่งหน้าตึกข้างในโน่น ผมไม่ได้ตอบอะไรลงจากรถและยื่นค่าโดยสารให้รถออกไปช้าช้าผมจึงเห็นรถทั้งคันถนัดตารถโดยสารคันนี้ประดับตกแต่งสติ๊กเกอร์สีสันฉูดฉาดมีทั้งแถบคาดลายกระจังสีขาวและเพ้นรูปดอกไม้เหลืองสดชมพูและเขียวอ่อนสะท้อนแสงได้แสบตาทั้งกลางวันกลางคืนเหมือนกับรถประจำทางทั่วไปมีด้านข้างสะดุดตาผมมากเพราะเจ้าของรถได้ติดแผนที่สีขาวไว้ด้วย เนื้อแผนที่เส้นทางเดินรถนั้นคือนกสีขาวกลางตีกบินมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าค่ำนี้จะนอนไหนนั่นสินะผมรำพึงในใจค่ำนี้จะนอนไหนกันเจ้านกเถื่อนผมก้มหน้าลงมองปลายรองเท้าหนังสีดำคู่เก่าคู่เดิมทบทวนในใจในสิ่งที่จะต้องรายงานบุคคลผู้รออยู่ในร้านป้าพลอย ถอนหายใจช้าๆก้าวเข้าสู่ในร้านแห่งนั้นบุคคล น, นั้นสั่งเครื่องดื่มไว้รอแล้วไายมือมาที่นั่งตรงข้ามเชื้อเชิญให้ผมนั่งลงเขาทักทายผมตามมารยาทคุยเรื่องข่าวยามเช้าที่ฟังก่อนออกจากบ้านสักพักเมื่อเด็กในร้านยกชามข้าวต้มมาเสิร์ฟตรงหน้าผมเขาก็วกเข้าประเด็นหลักได้เรื่องไหมผมจึงสนองตอบแบบไม่อ้อมค้อมเช่นกันอย่างที่เคยบอกก่อนหน้านี้ทุกอย่าง นี่เป็นอีกรายที่จอดในที่ห้ามจอดแล้วนี่คือเลขทะเบียนรถและรายละเอียดที่คุณต้องการผมเขียนข้อมูลลงบนกระดาษยื่นให้บุคคลข้างหน้าขอบใจมากนะหามาให้อีกสี่คันผมจะได้ส่งให้ผู้ใหญ่พิจารณาถอนชื่อบริษัทเนี้ยโทษฐานที่ส่งรถส่วนเกินมาวิ่งบุคคลนั้นพับแผ่นกระดาษแผ่นนั้นใส่กระเป๋าเสื้อพร้อมทั้งล้วงหยิบซองกระดาษซองหนึ่งออกมาอ่ะตามที่ตกลงไว้ถ้าเรื่องนี้มีผลตามคาด ผมจะให้อีก2 0 0พันบาทเสร็จทุน ล, ละละต้องขอตัวก่อนนะผมไปละบุคคลนั้นยกแก้วน้ำชาขึ้นดื่มหมดแก้วก่อนจะลุกขึ้นเดินจากไปเงียบๆรอจนเขาออกไปแน่แล้วผมจึงเดินไปเข้าห้องน้ำเมื่อเปิดซองนั้นออกดูพบว่ามีธนบัตรใบละห้าร้อยสองใบนอนเงียบเชียบอยู่ในนั้นมือผมสั่นระริกหัวใจเต้นตุ่มตาม ไม่รีรอดึงมันออกมาใส่ไว้ในกระเป๋าเงินตัวเองกลิ่นธนบัตรช่างหอมสีนั้นเล่าก็งามจับตาจับใจคิดไปถึงอีกหลายใบที่จะตามมาในเวลาอันใกล้แต่ภ้าพี่หนวดเฟิรมก็ผุดเข้ามาเป็นระลอกผมสะบัดหน้าไล่ความคิดฝ่ายดีทิ้งคิดทำไมให้เสียกำลังใจยิงนกเถื่อนเฉียดตายตัวเดียวคงไม่บาปนักถ้าโชคดีมีเรือแรงมันคงบินได้อีก คเยน้ี่ง20ปีผ่านไปผมไม่เคยเว้นตักตวงลาบและผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากช่องทางที่ข้าราชการจะได้รับมาตามน้ำเมื่อไรผู้ใหญ่มีผลประโยชน์ต้องการผู้สมรู้ร่วมกระทาผมจะได้รับส่วนแบ่งงานและเงินด้วยเสมอ แต่มันก็เป็นลาบก้อนเล็กก้อนน้อยที่ผมสะสมได้ทีละไม่มากเลยเมื่อต้องเรียนต่อปริญญาโทผมไปเรียนได้เฉพาะในพื้นที่ใกล้จังหวัดตัวเองเท่านั้นเพราะไม่มีเงินทุนสนับสนุนเลยแต่ผมก็ยังมีความฝันอย่างหนึ่งว่าจะได้ลาบก้อนโตสักก้อนพอเป็นทุนไปศึกษาต่อต่อตางประเทศโดยเร็วปีนี้เป็นปีสาคัญมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรทุนการศึกษามาจากส่วนกลาง มีสาขาวิชาที่ตรงสายงานผมด้วยผมสอบผ่านข้อเขียนแล้วเมื่อวานผมสอบสัมภาษณ์ในการสอบครั้งเนี้ยผมมั่นใจว่าคณะกรรมการจะลงคะแนนให้ผมได้รับทุนโดยเฉพาะรองคณะบดีที่เชียให้ผมสมัครรับทุนนี้ตั้งแต่ตน้นสายวันรุ่งขึ้นผมเดินเข้าไปเซ็นชื่อลงเวลาทํางานในห้องสำนักงานเลขา เจ้าหน้าที่ทักทายผมเช่นทุกวันในใจก็อยากถามใครสักคนในนั้นว่าข่าววงในเรื่องผลสอบทุนออกมาหรือยังแต่เห็นพวกเขาเฉยๆก็คิดเองว่าคงจะออกสายๆของวันนี้เมื่อผมเดินออกมาจากห้องสำนักงานเลขาก็เจอกับอาจารย์คนอื่นๆที่รอลุ้นผลสอบด้วยกันพอดีอาจารย์ผู้ใหญ่และเพื่อนอาจารย์ที่สอบสัมภาษณ์ทุนพร้อมกับอีกคนเดินลงบันไดามาอย่างชั้นล่างไม่ไกลจากที่ผมยืนอยู่ พวกเขามีใบหน้ายิ้มแย้มหูผมฟังไม่ฝาดแน่ๆอาจารย์หัวหน้าภาคเอ่ยกับอาจารย์รุ่นน้องว่าผมดีใจด้วยนะคุณได้รับทุนแล้วคะแนนเป็นเอกฉันรุ่นน้องยิ้มปราบปลื้มแสดงความขอบคุณแต่ผมไม่อาจสัมผัสกระแสความสุขของเขาได้เพราะในใจนั้นร้อนรุ่มแผดเผาเดี๋ยวไม่เกินบ่ายเรื่องก็จะออกมาเป็นทางการแล้วยินดีด้วยจริงๆ วันหลังต้องพาไปเลี้ยงฉลองให้กับความสำเร็จก้าของคุณนะอาจารย์ตบไหล่เขาเบาๆก่อนจะเดินมาทางผมท่านชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นผมยืนอยู่รอยยิ้มยินดีก่อนหน้านี้จางลงพยักหน้าเป็นเชิงให้กำลังใจโดยไม่กล่าวอะไรส่วนผมยืนหน้าชาหมดเรียวแรงและเดินคอตกไปทำใจในห้องพักของตัวเองคนอื่นๆที่พลาดทุนนี้ไม่ได้เสียใจมากนะัก เราล้วนแต่อายุยังน้อยปีนี้ไม่ได้ปีหน้าฟ้าใหม่ก็มีทุนมาให้สมัครสอบชิงได้เรื่อยๆไม่ผิดหวังเท่าไหร่แต่สำหรับผมแล้วมันสำคัญมากผมไม่สามารถทำใจได้เร็วขนาดนั้นปีนี้อายุผม4ี่ปีแล้วสอบชิงทุนกี่ปีกี่ปีก็พลาดตลอดความหวังจะสอบปีหน้านั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยอายุมากเกินไปได้ทุนไปกลับมาใช้เป็นเวลาไม่พอ เราคงเกษียณเสีย ก, ก่อนใช้ทุนหมดอนาคตความก้าวหน้าทางอาชีพมืดมนสิ้นหนทางผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมทำงานมาตั้งหลายปีผู้ใหญ่จะไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของผมสักนิดเลยเหรอตอนบ่ายวันเดียวกันผมได้รับโทรศัพท์จากห้องคณะบดีแจ้งว่ามีประชุม ด, วด่วนเรียนเชิญไปร่วมประชุมเมื่อผมเดินเข้าไปพบผู้ใหญ่สองสาท่านในห้องคณะบดี หน้าตาซึ่งไม่มีความสดชื่นแต่เดิมอยู่แล้วนั้นก็ยิ่งต้องสลดซีดเผือกลงไปอีกเมื่อทราบว่าผมโดนเรียกเข้าไปพบในฐานะจำเลยโทษฐานที่ทำผิดวินัยราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวคือผมมักเข้ามาทำงานตอนดึกของวันเสราร์อาทิตย์ขากลับออกไปก็จะถือโอกาสหยิบชวยอุปกรณ์จากห้องโสดทัศนูุปกรณ์ไปด้วยเมื่อไม่นำกลับมาคืนเลยผู้ใหญ่สังเกตเห็นอุปกรณ์เหล่านั้นหายไป จึงคาดคันเอาจากเจ้าหน้าที่และยามเฝ้าตึกจนทราบว่าทรัพย์สินที่มีเลขทะเบียนพ้นเสติดทุกชิ้นนั้นอยู่ที่บ้านและที่หอพักของผมหลายชิ้นล่าสุดคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผมนำไปขายให้ร้านในเมืองมีหลักฐานมัดตัวแน่นเขาสืบมานานหลายเดือนจนแน่ใจว่าไม่ผิดตัวจึงเรียกตัวมาครั้งนี้เราไม่อยากให้เรื่องลุกลามมากไปถึงตารวจเรียกร้อมจนผู้ใหญ่นอกคณะยอมประนีประนอม แต่ผมต้องขอแสดงความเสียใจที่ต้องให้คุณลาออกจากราชการตำแหน่งอาจารย์นี้แล้วไปสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของห้องสมุดแทนเรารับรองให้ว่าคุณไม่ตกงานเพียงแต่มันไม่มีอนาคตที่แน่นอนอย่างเดิมแต่คุณก็มีเวลามองหางานที่ดีกว่านั้นได้เราไม่ได้ลอยแพให้คุณออกไปพร้อมข่าวเสื่อมเสียเลยหวังว่าจะเข้าใจตามนี้และจะได้เป็นบทเรียนไปพิจารณาตัวเองไม่ทำผิดอีก ผมไม่มีทางเดินหนีไปไหนได้ทุกอย่างคือผลแห่งการกระทําของผมทั้งสิ้นอ น, นิจจาเนี่ยแหละกรรมตามทันแล้วความชั่วครอบงำจิตตอนลงมือกระทําไม่เคยคิดว่ากรรมมีจริงกรรมให้ผลจริงชั่วโมงเห็นความทรมานค่อยๆคือคลานผ่านไปอย่างช้าๆให้ต้องทนทุกข์กับความคิดทันใดนั้น ใบหน้าของพี่หนวดก็ปรากฏขึ้นในมโนภาพใบหน้านั้นมีรอยยิ้มอย่างมีมัยตรีเขาไม่ได้ยิ้มเยาะผมน้ำใสใจซื่อของคนจนๆผมยังตัดอนาคตของเขาได้อย่างเลือดเย็นสมควรแล้วที่ชะตาชีวิตของผมต้องมารับผลแห่งกรรมดาที่ตนสร้างเองชีวิตของผมนับจากนี้ไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับนกชะตาขาดค่ำคืนที่มืดมนหนทางของนกเถื่อนตัวนี้ ช่างหนาวเน็บและไร้รังที่พักใจอนิจาคํานี้จะนอนไหนเธอน่น้อเจอสิ่งที่เธอต้องคุต้องผลรู้ไร่เหตุผลได้่ประโทฟ้าโทษดาวหาในความจริงที่เป็นทุกอย่างไดมาเพราะเธอจะไม่จะอีก มันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเองอยากให้ลองดูเรื่องกัรคือการกระทางของเธอได้คิดในใจอาจคล้อยสมผลไร้ไร้อาจลึกลับแต่มันคง